ธรรมบทแปลเรื่องที่92เรื่องนางปตาจาราภาคที่สเรื่องที่12ของวรรคที่8สหัสวรรควรณน า, นาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระประตาจาราเถรีตรัสพระกาฐานีว่าโยจาวัสสสตังจีเวเป็นต้นดังได้สดับมา นางปตาจารานั้นได้เป็นที่ดาของเศรษฐีผู้มีสมบัติ40โกดในกรุงสาวัตถีมีรูปงามในเวลานางมีอายุ16ปีมารดาบิดาเมื่อจะรักษาจึงให้นางอยู่บนชั้นบนปราสาทเจ็ชั้นเมื่อถึงเป็นเช่นนั้นนางก็ยังสมคบกับคนรับใช้คนหนึ่งของตนครั้งนั้นมารดาบิดาของนาง ยกให้แก่ชายหนุ่มคนหนึ่งในสกุลที่มีชาติเสมอกันแล้วกำหนดวันวิวาหะเมื่อวันวิวาหะนั้นใกล้เข้ามานางจึงพูดกับคนรับใช้ผู้นั้นว่าได้ยินว่ามารดาบิดาจากยกฉันให้แก่สกุลนน้นในการที่ฉันไปสู่สกุลผัวท่านแม้ถือปณาการเพื่อฉันมาแล้วก็จักไม่ได้เข้าไปในที่นั้น ถ้าท่านมีความรักในฉันก็จงพาฉันหนีไปโดยทางใดทางหนึ่งในบัดนี้นี่แลคนรับใช้นั้นรับ่าดีละนางผู้เริญแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะยืนอยู่ในที่ชื่อนน้นแห่งประตูเมืองแต่เวลาช้าตรู่พรุ่งนี้ลอนเพิ่งออกไปด้วยอุบายอย่างหนึ่งแล้วมาในที่นั้นในวันที่สอง ก็ได้ยืนอยู่ในที่นัดหมายกันไว้ฝ่ายทิดาเศรษฐีนั้นนุ่งผ้าปันปอนสยายผมเอารำทาสรีระถือหม้อน้ำออกจากเรือนเหมือนเดินไปกับพวกทาสีได้ไปอย่างที่นั้นแต่ช้าตรูชายคนรับใช้นั้นพานางไปไกลแล้วสำเร็จการอาศัยอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งไถนาในป่าแล้ว ได้นำเฟืนและผักเป็นต้นมาที่ดาเศรษฐีนอกนี้เอาหม้อน้ำมาแล้วทํากิจมีการตําข้าวและหุงต้มเป็นต้นด้วยมือตนเองสเสวยฝนเห็นความชั่วของตนครั้งนั้นสัตว์เกิดในครันตั้งขึ้นในท้องของนางแล้วนางมีครันแก่แล้วจึงอ้อนวอนสามีว่าใคร เป็นผู้อุปการะของเราไม่มีในที่นี้ธรรมดามารดาบิดาเป็นผู้มีใจอ่อนโยนในบุตรทั้งหลายท่านจงนําฉันไปยังสํานักของท่านเถิดฉันจะคลอดบุตรในที่นั้นสามีนั้นคัดค้านว่านางผู้เริญเจ้าพูดอะไรมารดาบิดาของเจ้าเห็นฉันแล้วพึ่อทากรรมกรมีอย่างต่างๆฉันไม่อาจไปในที่นั้นได้ นางแม่อ้อนมอนแล้วแล้วเล่าๆเมื่อไม่ได้ความยินยอมในเวลาที่สามีนั้นไปป่าจึงเรียกคนผู้คุ้นเคยมาสั่งว่าถ้าเขามาไม่เห็นฉันจะถามว่าฉันไปไหนพวกท่านจึงบอกความที่ฉันไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนทั้งนี้แล้วก็ปิดประตูเรือนหลีกไปฝ่ายสามีนั้นมาแล้วไม่เห็นภรรยานั้นจึงถามคนคุ้นเคย ฟังเรื่องนั้นแล้วก็ติดตามไปด้วยคิดว่าจากให้นางกลับพบนางแล้วแม้จะอ้อนวอนมีประการต่างๆก็ไม่อาจให้นางกลับได้ที่นั้นลมการรมชวาดของนางปั่นปวดแล้วในที่แห่งนั้นนางเข้าไปในระหว่างพุ่มไม้พุ่มหนึ่งพูดว่านายลมการรมชวาดของฉันปั่นปวดแล้ว นอนกลิ้งเกลือกอยู่บนพื้นดินคลอดเด็กโดยยากแล้วคิดว่าเราพึงไปสู่เรือนแห่งตระกูลเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วจึงมาสู่เรือนกับด้วยสามีสำเร็จการอยู่กันอีกเที่ยวสมัยอื่นคันของนางตั้งขึ้นอีกนางเป็นผู้มีคันแก่แล้วจึงอ้อนวอนสามีโดยในก่อนนั่นแลเมื่อไม่ได้ความยินยอมจึงอุ้มบุตร ด้วยซาเอลลีกไปอย่างนั้นนั่นแหละถูกสามีติดตามพบแล้วก็ไม่ปรารถนาจะกลับครั้งนั้นเมื่อชนเหล่านั้นเดินไปอยู่มหาเมฆอันไม่ใช่ฤดูการเกิดขึ้นท้องฟ้าได้มีท่อทานตกลงไม่มีระหว่างดังสายฟ้าแผดเผาอยู่โดยรอบดังจะทำลายลงด้วยเสียงแผดแห่งเมฆในขณะนั้น ลมกรมชวายของนางปั่นปวดแล้วนางเรียกสามีมากล่าวว่านายลมกรมชวายของฉันปั่นปวดแล้วฉันไม่อาจจะทนได้ท่านจงรู้สถานที่ที่ฝนไม่รดฉันเถิดสามีนั้นมีมีดอยู่ในมือตรวจดูข้างนนข้างนี้เห็นปุ่มไม้ซึ่งเกิดอยู่บนจอมปลวกแห่งหนึ่งเริ่มจะตัดลำดับนั้นอสอรพิษมีพิษร้ายกาศ เลื้อยออกจากจอมปลวกกัดเขาในขณะนั้นนั่นแหลสสียร่างของสามีมีสีเขียวดังถูกเปลวไฟอันตั้งขึ้นในภายในไม่อยู่ลม้มลงในที่นั้นนั่นเองฝ่ายภรรยานอกนี้เสวยทุกอย่างมหันแม้มองดูทางมาของเขาอยู่ก็ไม่ได้เห็นเขาเลยจึงคลอดบุตรคนอื่นอีกทารกทั้งสอง ทนกำลังแห่งลมและฝนไม่ได้ก็ร้องไห้ล่นนางเอาทารกแม้ทั้งสองคนนั้นไว้ที่ระหว่างอุทธรยืนท้าแผ่นดินด้วยเข่าและมือทั้งสองให้ราตรีล่วงไปแล้วสรีระทั้งสิน้นได้เป็นดังสีใบไม้เหลืองเหมือนไม่มีโลหิตเมื่ออารุณขึ้นนางอุ้มบทคนหนึ่งซึ่งมีสีดังชิ้นเนื้อด้วยเซล จงบุตรนอกนี้ด้วยนิ้วมือกล่าวว่ามาเถิดพ่อปิดาเจ้าไปโดยทางนี้ดังนี้แล้วก็เดินไปตามทางที่สามีไปเห็นสามีนั้นนอนล้มตายบนจอมปลวกมีสีเขียวตัวกระด้างร้องไห้รำพันว่าเพราะอาศัยเราสามีของเราจึงตายที่หนทางเปลี่ยวดังนี้แล้วก็เดินไปนางเห็นแม่น้ํา อาจิราวดีเต็มเปี่ยมด้วยน้ำมีประมาณเพียงหัวเขา่ามีประมาณเพียงนมเพราะฝนตกตลอดคืนยันรุ่งไม่อาจลงน้ำพร้อมด้วยทาลกสองคนได้เพราะตนมีความรู้อ่อนจึงพักบุตรคนใหญ่ไว้ที่ฝั่งนี้อุ้มบุรคนเล็กนอกนี้ไปฝั่งโน้นลากกิ่งไม้ไว้ให้บุตรนอนแล้วคิดว่า จากไปที่อยู่ของบุตรนอกนี้ไม่อาจละบุตรอ่อนได้กลับแลดูแล้วแล้วเล่าเลเดินไปครั้นในเวลาที่นางถึงกลางแม่น้ำเยียวตัวหนึ่งเห็นเด็กนั้นจึงโฉบลงมาจากอากาศโดยสําคัญว่าเป็นชิ้นเนื้อนางเห็นมันโฉบลงเพื่อต้องการบุตรจึงยกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังสามครั้งว่าสู้สู้ เยี่ยวไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยเพราะไกลกันจึงเฉียวเด็กบินขึ้นสู่เวหาดไปแม้บุตรผู้ยืนอยู่ที่ฝั่งนี้เห็นมารดายกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังที่ท่ามกลางแม่น้ำจึงกระโดดลงในแม่น้ำโดยเร็วด้วยสำคัญว่ามารดาเรียกเราเยี่ยวเชียวบุตรอ่อนของนางไปบตรคนโตถูกน้ำพัดไป ด้วยประการชนี้นางเดินร้องไห้รำพันว่าบุทของเราคนหนึ่งถูกเหย่่ยวเฉียวไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายเสียในที่เปลี่ยวพบบุุรผู้หนึ่งเดินมาแต่กรุงสาวัตถีจึงถามว่าพ่อท่านอยู่ที่ไหนบุุรฉันอยู่ในกรุงสาวัตถีแม่ทิดาเศรษฐีตระกูลชื่อนนทนเห็นปานนี้ ใกถนนโนอนในกรุงสาวัตถีมีอยู่ทราบไหมพ่อบุรุษฉันทราบแม่แต่อย่าถามถึงตระกูลนั้นเลยถ้าท่านรู้จากตระกูลอื่นก็จงถามเถิดทิดาเศรษฐีกรรมด้วยตระกูลอื่นของฉันไม่มีฉันถามถึงตระกูลนั้นเท่านั้นแหละพ่อบุรุษแม่ฉันบอกก็ไม่ควรทิดาเศรษฐี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 วันนี้ในกลางคืนเรือล้มทับคนแม้ทั้งสคือเศรษฐีหนึ่งภรรยาเศรษฐีหนึ่งบุตรเศรษฐีหนึ่งคนทั้งสามนั้นถูกเผาบนเชิงตะกรันอันเดียวกันแม่เอย๋ยควันนั่นยังปรางกฏอยู่ในขณะนั้นนางไม่รู้สึกถึงผ้าที่นุ่งซึ่งได้ดูดลงถึงความเป็นคนวิกลจริตยืนตะลึงอยู่ ร้องไห้รำพันบ่นเพ้อเซส่วนไปว่าอุโพปุตากาลกตาปันเทไม่หั่งปฏิมะโตมาตาปีตาเะภาตาจาัดเอกะจิตกรรมหิทันหเรติบุตรสองคนตายเสียแล้วสามีของเราก็ตายเสียที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชาย ก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนอันเดียวกันคนทั้งหลายเห็นนางแล้วเข้าใจว่าหญิงบ้าหญิงบ้าจึงถือเอาอยากเยื่อกอบฝุ่นโปรยลงบนศีรษะกว้างด้วยก้อนดินพระศาสดาประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ในถ้ำกลางบริสัท4สในพระเชตวันมหาวิหารได้ทอดพระเนตรเห็นนางผู้บำเพ็ญบา ร, รมีมาแสนกลับสมบูรณ์ด้วยอภินิหารเดินมาอยู่ ได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมมุตระนางปตาจารานั้นเห็นพระเถ ร, รีผู้ทรงวิเนยรูปหนึ่งอันพระปทุมมุตระาศาสดาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตถคะ่ะดังเท้าส ก, กะจับที่แขนตั้งไว้ในสวนนันทวันจึงทำคุณความดีแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่า แมเหม่อมฉันพึงได้ตำแหน่งเลิศกว่าพระเถรีผู้ทรงวินัยทั้งหลายในสำนักพระพุทธเจ้าเช่นกับด้วยพระองค์พระประทุมุตระพุทธเจ้าทรงลิงอนาคตตังสยานไปก็ทรงทราบว่าความปรารถนาจะสำเร็จจึงทรงพยาก่อนว่าในอนาคตการหญิงผู้นี้จะเป็นผู้เลิศกว่าพระเถรีผู้ทรงวินัยทั้งหลาย โดยนามปตาจาราในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าพระศาสดาทรงเห็นนางผู้มีความปรารถนาตั้งไว้แล้วอย่างนั้นผู้สมบูรณ์ด้วยอภินิหารกำลังเดินมาแต่ที่ไกลเทียวทรงดำริว่าเว้นเราเสียผู้อื่นชื่อว่าสามารถจะเป็นที่พึ่งของหญิงผู้นี้ได้ไม่มี จึงได้ทรงทำนางโดยประการที่นางจะบ่ายหน้าสู่วิหารเดินมาบริษัทเห็นนางแล้วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าให้หญิงบ้า น, นี้มาที่นี่เลยพระศาสดาตรัสว่าพวกท่านจงหลีกไปอย่าห้ามเธอในเวลานางมาใกล้จึงตรัสว่าจงกลับได้สติเถิดน้องหญิงนางกลับได้สติ ด้วยพุทธานุภาพในขณนะนั้นนั่นเองในเวลานั้นนางกำหนดความที่ผ้านุ่งหลุดได้แล้วให้เกิดเฮริโอตปะขึ้นจึงนั่งกระโยงลำดับนั้นบุรุษผู้หนึ่งจึงโยนผ้าห่มไปให้นางนางนุ่งผ้านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระสัสดาถวายบังคมด้วยเบญจางคปดิษฐ์แทบพระบาททั้งสองซึ่งมี วันนะดังทองคำแล้วทูลว่าขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าเพราะว่าเหี่ยวเชียวบุตรคนหนึ่งของหม่อมฉันคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีตายที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายสูกเรือนทัพเขาเผาบนเชิงตะกรอันเดียวกันพระศัส ด, สดาทรงสดับคำของนางจึงตรัสว่า อย่าคิดเลยปตาจาราเธอมาสู่สำนักของผู้สามารถจะเป็นที่พึ่งพํานักอาศัยของเธอได้แล้วเหมือนอย่างว่าบัด น, นี้บทคนหนึ่งของเธอถูกเหี่ยวเฉียวไปคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีตายแล้วที่ทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายถูกเรือนทับฉันใดน้ำตาที่ไหลออกของเธอผู้ร้องไห้อยู่ในสงสารนี้ ในเวลาที่ปิยชนมีบุตรเป็นต้นตายอย่างมากกว่าน้ำแห่งมหาสมุทรทั้งสี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าจจตูสุสมุตเดสุเฉลังปริตกังตะโตบาหุ่งอสุเฉลังอนัตปะกังดูเคนะพุทธะนรสะโซจโตกิงกรณาอัมมะ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 ความโศกในสเีรระของนางในถึงความเบาบางแล้วลำดับนั้นพระศาสดาทรงทราบนางผู้มีความโศกเบาบางแล้วทรงเตือนอีกแล้วตรัสว่าปตาจาราขึ้นชื่อว่าปิยชนมีบุตรเป็นต้นไม่อาจเพื่อเป็นที่ต้านทานเป็นที่พึ่งหรือเป็นที่ป้องกันของผู้ไปสู่ปรโลกได้เพราะฉะนั้นบุตร เป็นต้นเหล่านั้นถึงมีอยู่ก็ชื่อว่าย่อมไม่มีทีเดียวส่วนบัณฑิตชำระศีลแล้วควรชำระทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานของตนเท่านั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมได้ตรัสพระคาถานี้ว่าณสันติปุตตาตานายะะปิตาณปิปันธวาอันตะเกนาทิปันนัสสะ นัตติยาตีสุตานตาเอตามัตทวสังยตวาปันนิโตสีละซังหูโตนิ บ, บานะขมะนังมักกังคิ ป, ปะเมวะวิโสทะเยติบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อต้านทานปิดาก็ไม่มีถึงพวกพ้องก็ไม่มีเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มี บันทิตทราบอำนาจประโยชน์นั้นแล้วสำรวมศีลพึงชำระทางไปพระนิพานโดยเร็วทีเดียวในการจบเทสนานางปตาจาราเผากิเลสมีประมาณเท่าฝุ่นในแผ่นดินใหญ่แล้วตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นตังนี้แล ฝ่ายนางปตาจารานั้นเป็นพระโสดาบันแล้วทูลขอบรรมชากับพระสาสดาพระสัสดาทรงส่งนางไปยังสำนักของพวกภิกษุณีให้บรระชาแล้วนางได้อุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่าปตาจาราพระนางกลับความประพฤติได้วันหนึ่งนางกำลังเอามอสถักน้ำล้างเท้าเทน้ำลง น้ำนั้นไหลไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ขาดครั้งที่สองน้ำที่นางเทลงได้ไหลไปไกลกว่านั้นครั้งที่สามน้ำที่เทลงได้ไหลไปไกลแม้กว่านั้นด้วยประการชน้นางถือเอาน้ำนั้นนั่นแหลเป็นอารมณ์้วยกำหนดไว้ทั้งสามแล้วคิดว่าสัตว์เหล่านี้ใต้เสียในปฐมวัยก็มี เหมือนน้ำที่เราเทลงครั้งแรกตายเสียในมัชิมะัยก็มีเหมือนน้ำที่เราเทลงในครั้งที่สองไหลไปไกลกว่านั้นตายเสียในปัจชิมะัยก็มีเหมือนน้ำที่เราเทลงครั้งที่สามไหลไปไกลแม้กว่านั้นพระศาสดาประทับในพระคันธ ก, กุฎีทรงแผ่พระรัศมีไปเป็นดังประทับยืนตรัสอยู่เฉพาะหน้าของนาง ตรัสว่าปตาจาราข้อนั่นอย่างนั้นด้วยว่าความเป็นอยู่วันเดียวก็ดีขณะเดียวก็ดีของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งปัญชคันเหล่านั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่หนึ่งร้อยปีของผู้ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งปัญชขันดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสรื่อมนุสสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่า โยจะวัสสตังจีเวอาปะสร้างอุดยะพยังเอกาหังจีวิตังเสโยปัสโตอุดยะพยันติก็ผูใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่พึงเป็นอยู่หนึ่งรปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นบรรดาบทเหล่านั้น บาปพระคาถาว่าอปสซั่งอุดยย พ, พยังความว่าไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่โดยลักษณะยี่หแห่งปัญญขันบาปพระคาถาว่าปะสะโตอุดยย พ, พยังความว่าความเป็นอยู่แม้วันเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมแห่งปัญญขันเหล่านั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของบุคคลนอกนี้ ในการจบเทศนานางปตาจาราบรรลุพระอระหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายดังนี้แลเรื่องนางปตาจารา